วันนี้วันแม่ปีหนึ่งได้พูดเรื่องแม่แม่ลูกๆ ก, ก็น่าจะดีนะ พูดถึงว่าธมาเนี่ยมีทุนมีหล่อนสร้างวัดได้ก็เพราะแม่สร้างอนุสสวรีแม่ไว้ใครคงไปเห็นนะพี่พันบอกว่ายันให้เงือออกทางกุมขนดี่ากีเกียรติแล้วยากจนน้ำล้นออกทางตาเนี่ยถือเป็นคติมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาทำให้สำเร็จประโยชน์ในวัยออกสิบกว่าเนี่ย จะมีภาพอะไรเกี่ยวกับแม่แม่ลูกๆเนี่ยแผ่นดินไทยเราก็มีกษัตริย์ที่กษัตริย์เมืองอื่นเขฆ่าพ่อฆ่าแม่มีไหมมีในปานแต่ของเราประครองแม่และที่พูดว่าเมื่อกี้เนี่ยมีเงินสร้างวัดได้ใหญ่โตเนี่ยมาจากความกระตันอยู่ตอนเล็กๆ็ก็นึกคิดอยู่แต่พอมาบวชเนี่ยมันทวีความรุนแรงความคิด ตอนถ้าคิดอยากทําหนังสือสักเล่มหนึ่งคิดอยู่นานคิดแล้วก็ตอนนั้นอยู่สวนโมกใครคงจําเด็กหญิงวลีตอนนั้นโดนใจมากข่าวเด็กหญิงวลีปอนข้าวป้อนน้ําให้แม่เนี่ยโรงเรียนพัทเที่ยง ก, ก็จะวิ่งมาป้อนข้าวแม่ที่นอนป่วยที่บ้านบ้านกับโรงเรียนในประมาณกิโลหนึ่งห่างกันกิโลเบกว่า ต้องวิ่งผ่านล่องผ่านสวนมาเพื่อจะมาดูแลแม่พับยายที่ป่วยอย่างหนักจะมาขอป้อนแม่ทั้งชุดนักเรียนแล้วก็วิ่งกลับจะมาก็รวบรวมแล้วหาภาพหาทุกอย่างก็ไปขอร้องหลวงพ่อพุทธทาตว่าช่วยเขียนคำนำเรื่องกตัญญูโดยให้ชื่อว่าปุ๋ยมนุษย์ปุ๋ยมนุษย์ก็คือเป็นปัจจัยเหตุปัจจัยแห่งความทาให้มนุษย์ งอกงามมนุษย์งดงามต้นไม้นาะงามด้วยน้ำกลับโอ๋ยท่านนี้คนเนี่ยจะงามด้วยอะไรอะ่ะเออทำไมอดทนทำเพื่อพ่อเพื่อแม่แล้วอยาหวังเลยว่าจะได้เป็นงามถึงหน้า ม, มันจะสวยที่สุดมันก็ไม่ใช่งามที่สุดในความประพฤติของความเป็นลูกอยากดูลายมือหลวงพ่อพุทธทาตุไหมเนี่ยท่านเขียนอนุโมทนา กับการพิมพ์หนังสือเล่มนี้จะอ่านให้ฟังหรือแค่ดูตัวหนังสืออ่านไหมเอาแหละถ้าอย่างนั้นก็จะอ่านให้ฟังท่านบอกว่าขออนุโมทนาในการจัดพิมพ์หนังสือมีชื่อว่าปุ๋ยมนุษย์ขึ้นเผยแพร่ในครั้งนี้ด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะเหมาะสมกับสถานการณ์ยุคปัจจุบันคําว่าปุ๋ยมีความหมายอยู่ในตัวของมันว่า เป็นเหตุปัจจัยแห่งทั้งปวงแห่งความงามของความเป็นมนุษย์ตามอํานาจการปรุงแต่งของปุ๋ยเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้งามชั้นใดก็จะทําให้จิตใจมนุษย์ที่เป็นมีคุณธรรมแห่งความกตัญญูรู้คุณเนี่ยด้วยสิ่งที่ว่ากตัญญูนี่แหละเป็นตัวทำํำเป็นปัจจัยให้มนุษย์งามค่าของมนุษย์อยู่ที่ความเป็นมนุษย์มากหรือน้อย ไม่ใช่ว่าอยู่ที่เงินมากหรือเงินน้อยแต่อยู่ที่ว่าค่าของความเป็นมนุษย์มันมากหรือน้อยถ้าค่าความเป็นมนุษย์ตามความ ห, หมายว่าไงมนุษย์มาจากคำว่ามณะบกอุสยะมณะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงท่านบอกว่าถ้าเราเนี่ยมีความเป็นมนุษย์น้อยก็แสดงความเป็นมนุษย์ของเราไม่งามใจเราต่ำใจเราเสื่อมเนี่ยฉะนั้น พอเราคลอดออกมาสู่โลกนี้เราก็เป็นหนี้บุญคุณของบุคคลและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ก่อนแล้วในโลกนี้หรือที่จะนับได้เราจรึงรอดชีวิตเติบโตมีสติปัญญามีทรัพย์สมบัติมีอำนาจวาสนาดังที่ปรากฏอยู่ในชีวิต แห่งความเป็นลูกหนี้ของเราหม่ประโยคนี้ดีน้อยโยมใครคิดว่าใครที่มาอยู่ที่นี่แล้วฉันหมดหนี้แล้วฉันไม่เป็นหนี้แล้วคนนั้นคิดถูกไหมเรายังเป็นมนุษย์ลูกหนี้ท่านบอกว่าเราเนี่ยยังเป็นมนุษย์ลูกหนี้ถ้ามีความคิดว่าเราเนี่ยมันเป็นลูกหนี้เราจะต้องจัดการให ความเป็นลูกหนี้ที่ดีอยากเป็นหนี้เนา่าหนี้เสีย NPL ใช่ไหมหนี้เนา่าโยมใครเป็นลูกหนี้เน่าบ้าง น, น, นะเขาบอกว่านี่จะเป็นสัตว์อัตตันยูไปได้ถึงไหนกันโดยที่กฎแห่งธรรมชาติจะลงโทษเราอย่างสะสมเราเนรคุณต่อ ต้นน้ำลำธารเราเนระคุณต่อต้อนไม้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำสายน้ำปลายน้ำจะมาถึงเราหรือไม่เนี่ยถ้าคนมันเนระคุณบนต้นน้ำเราเราก็พอแย่ <c oughs> ถ้าทุกคนในโลกเป็นกันดังนี้ทุกคนโลกนี้ก็จะวินาศหมดสิ้นไปนานแล้วถ้าเอาแต่เนระคุณกันหมดด้วยการเบียดเบียนทำลายล้างกันเอง และเป็นการล้างโลกล้างสิ่งต่างๆที่โลกให้คุณให้ประโยชน์นี่ดีแต่ว่ามีคนกตันอยู่รู้คุณโลกอยู่จำนวนหนึ่งโลกจึงยังไม่วินานศะแต่ก็ยังมีสภาพที่ไม่พึงปรารถนาเหลืออยู่อีกไม่น้อยที่ควรจะหมดไปเสียทีด้วยการเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ขอให้เราใส่ปุ๋ยให้แก่ความเป็นมนุษย์ของเราก้าวคือความกระตันอยู่กระตะเวทีนี่แหละช่วยกันเติมให้มันเต็มที่กันเสียทุกคนเถิดโลกก็จะชุ่มชื่นอยู่ด้วยความสวยสุขสงบสุขปราศจากการเบียดเบียนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา รู้พระคุณของธรรมะของโลกของบุคคลและสิ่งต่างๆในโลกเราแล้วเราก็จะประพฤติตอบแทนชนิดที่ถูกต้องและเพียงพอกันก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเต็มเปี่ยมนับแต่เป็นบุตรที่ดีของบิดามานดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นสาสนิกที่ดีของศาสนาแล้วก็จะเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องโลกก็จะเต็มไปกับความสันติสุขเพราะปุ๋ยมนุษย์ขั้นพื้นฐานคือความกระตัญญูขอให้มนุษยชาติเจริญงอกงามด้วยการมี ปุ๋ยที่ดีดังที่กล่าวนี้แล้วก็จะมีสันติสุขอยู่ทุกที่ปาราติการขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งในการกระทำที่ถูกต้องนี้ดวนที่ไลเซนท่านพุทธธาตอินทะบัญโยโมคบพลาลามไชยาหกพอยอสองเก้ากี่ปีและปีสองพันห้้อยเก้า เดิมาอยู่ที่นั่นก็ขอให้ท่านช่วยเขียนคำนำอนุโมทนาคิปปีนะยีิบเก้าเกือบสามสิบปีหนังสือเล่มนี้ทำให้ขายยม่มตอนแรกพิมพ์จนเพดขาดลองเดาที่ยอมว่าหนังสือเล่มนี้ออกกี่แสนเล่มหลายแสนประมาณสามสี่แสนเล่มพิมพ์จนเพดขาดเลยทีแรกต้องมาทำเพดใหม่ ได้ขายได้ประมาณสักสิบสี่สิบห้าล้านได้จึงได้มาสร้างมาทำวัดนี้ได้ด้วยหนังสือเล่มนี้เมื่อยี่สิบเก้าปีพนั้นเรื่องตอนนั้นเนี่ยไปเก็บภาพอะไรแปลกๆมาเยอะอย่างภาพเมียน่าคิดมากไอ้แม่ลิงมันโด น, นพันโทยิงยิงแล้วมันก็เจ็บมากแต่มันไม่ทิ้งลูก ต่อมาเนี่ยแม่มันเจ็บจนตายพันโตก็ตามไปเก็บเอาลูกมาแล้วก็เอาซากแม่มาด้วยมาทันหลกหนังตาปรากฏว่าไอ้ลูกมันเนี่ยไปหาอะไรกินก็ไม่กินมันไปดูดนมแม่ที่เป็นหนังแห้งพันโตยืนดูสังเวชใจดูไปดูมาก็เลยเลิกยิงสัตว์อีกต่อไปเลยเนี่ เรื่องกระตันอยู่นี่มีเยอะนกบันฟิ่นมันอะไรก็มันเอาลูกปว้กาไว้ติดตัวพวกสัตว์เนี่ยมันก็รักลูกยิงเรื่องที่จิตวิญญาณแม่ของแม่ไก่แล้มาตอนเล็กๆยังเห็นติดตาเลยไอเหี้ยวเนี่ยมันมาเฉียวลูกไก่ฝังกันเนี้ยแม่มพากินอาหารลิมคลองพอเฉียววุ้ไปตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแหมไอแม่ไก่ในความรักลูกมันน่ มันไม่เคยบินข้ามคลองพ้นหรอกแต่วันด้วยความรักมันบินติดๆไปใกล้เหลิเยวเลยเพราะเอลยวบินขึ้นต้นไม้มันบินไม่ไหวแหละตกลงริมคลองฝั่งกระนูน้คลองนี้ใหญ่ๆหญ่ไปยันตรงนู้นได้ซึ่งไม่มีแม้ไก่ตัวไหนบินข้ามพ้นขาไปบินได้ขากลับกลับไม่ได้ล้องเลาะอยู่ริมคลองอะเนี่ยต้องเอาเรือไปรับขาไปนี่มันไปด้วยพลังอะไรพลังรักลูก ขังในบินได้ขากลับไม่รู้ลูกไปไหนไม่เห็นก็เลยบินไม่ขึ้นต้องเอาเหลือไปรับกลับมานั้นวันนี้ก็จะอยากจะบอกว่าเรามาดูข้อธรรมที่พุทธเจ้าปฏิบัติสอนให้เราปฏิบัติยมว่าพุทธเจ้าสอนไหมเรื่องแม่แม่ลูกๆเนี่ยมีหลักธรรมคาสอนระหว่างแม่แม่ลูกๆูกไว้ยังไงบ้างดีไหม จะได้ปฏิบัติถูกระหว่างแม่กับถ้าบอกว่าวันนี้วันแม่แล้วให้ลูกทําดีกับแม่แต่แม่ไม่ได้ทําด้วยไม่ร่วมกันปฏิบัติด้วยมันก็ไม่ดีถ้าลองเอาความครอบความที่พุทธเจ้าสอนว่าลูกต้องทําอย่างนี้แม่ต้องทําอย่างนี้แล้วครอบครัวนั้นก็จะเป็นครอบครัวล้าเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบเป็นครอบครัวตัวอย่างเป็นไอดอลไอดอลในครอบครัวอื่นได้บ้าง อย่เียดีไหมเอา้าวันนี้ถ้าใครตอบได้ไม่ต้องมากอะ่ะลูกทำได้กับแม่แม่ทำกับลูกได้ข้างละสักสองสามข้อจะให้หนังสือเล่มนี้ฟรีเลยใครจำได้ไปสิแสดงว่าลืมกันทั้งแม่ทั้งลูกแย่ <c oughs> yeah, นะชาวพุทธเราข้อปฏิบัติตัวเองก็ต้องเป็นแม่ตัวเองก็ต้องเป็นลูก กันลืมหมดเลยหน้าที่ของลูกของแม่เนี่ยมันก็สังคมก็แย่แต่วันนี้ปีนี้ถึงแต่ละปีเนี่ยเรามาล้ำลึกนึกถึงข้อปฏิบัติของแม่แม่ลูกลูกเพื่อให้เกิดสุขเกิดความสมบูรณ์ในครอบครัวดีไหมเออนั้นมาวัดไม่ใช่แค่ใส่บาทท่านี้วันนี้นะเห็นแต่ใส่บาตรวันแม่ทีบจักรยานวันแม่พระทีบไม่ได้ก็ามาส่อนอยูเรื่องแม่แม่ดีไหม ใครจะนึกอยากตอบจากสองสามข้อเอาฝ่ายลูกก่อนหมดเลยนึงลูกเอาแม่มังแม่แม่คงใส่กับแม่กับลูกไปไม่รอดทั้งคู่เออท่านบอกว่ามารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรควรทำดังนี้ไม่ใช่อนุเคราะห์แต่เงิน แต่อนุเคราะห์ให้ลูกได้ดิบได้ดีเนี่ยข้อแรกเลยพ่อแม่ต้องคอยติดตามห้ามปลามไม่ให้ลูกกระทาชั่วแช่งใช้คำวางทีว่าคอยขัดคอลูกอย่าให้เล่าให้ยาบ้ามันเข้าปากลูกถ้าพ่อแม่คอยขัดคอคอยห้ามคอยปลามคอยเตือนลูกไม่ติดเล่าติดยาหรอกที่ติดยาเนี่ยเพราะไม่ค่อยขัดคอเพื่อเผลอไอ้ขอพ่อข อ, ขอแม่ก็ กันาพาพอๆกันอีกดานมีรถสนิยมแบบนั้นก็เลยทำให้ลูกเพียงพลําตกต่ำถูกความชั่วครอบงานั้นหน้าที่ที่ดีที่สุดของพ่อแม่ไม่ใช่ส่งเรียนไม่ใช่ส่งเรียนก่อนเพื่อนแต่ต้องคอยห้ามปลามไม่ลูกกระทำชั่วคอยขัดขอไม่ให้เราให้ยามันเข้าปากลูกก็จะทำให้ลูกเราเนี่ยสติปัญญาดี ข้อให้ลูกเล่าเรียนเนี่ยเป็นข้อต่อมาด้วยซ้ําท่านเอาข้อแรกเป็นเรื่องสาคัญเลยพ่อแม่ต้องคอยห้ามปรามคอยขัดคออย่าให้ลูกเนี่ยเล่าเข้าปากเข้าคอไปแล้วมันแก่ลําบากเอาตอนนี้ข้อต่อมาพยายามให้กําลังใจลูกตั้งอยู่ในความดีถ้าเขาทาดีทำดีชื่นชมให้สินให้พรบางทีต้องจ้างลูกให้ทําดีได้ก็ต้องจ้างจริงไหม จ้งล no ูกใส่บาตรทาบุญนั่นลูกไปเอาอะไรให้มาให้แมวเดี๋ยวแม่ให้รางวัลยุให้ลูกตั้งอยู่ในความดีอย่างมั่นคงแข้มแข็งบางคนก็เริ่มดีนะเอาลูกเมาทําบุญทำทานตั้งแต่เล็กแต่น้อยปลูกฝังให้ลูกตั้งอยู่ในความดีอย่างมั่นคงถ้าลูกถูกห้ามปรามชั่วไม่ทําก็ไปรอดเลยพระผุ้ริเจ้าเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องห้ามชั่ว ละชั่วก่อนที่จะทําดีในบทสอนเนี่ยก็ไปดูสัพปะปา ป, ปัสะอาการนังให้ปัดบาปออกจากตัวปัดชั่วออกจากใจบางคนใส่บาตร ท, ทาบุญจันแต่ชั่วไม่ได้ละท่านเปรียบว่าไงนะคนทําบุญแต่ไม่ละบาปเหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ําตัวสวยแต่เหนียวเนี่ยเหนียวตัว ส่วนคนละบาปแต่ไม่ทําบุญเหมือนคนอาบน้ําแต่ไม่แต่งตัวยังว่าเอาไหนดีอ่ะขอให้ได้อาบน้ำมันนะชุดไม่สวยก็ช่างมนุษยใส่ไปทั้งทั้งที่ในเนื้อตัวเราสะอาดก็สบายเนี่ยเพราะฉะนั้นบุตรเจ้าบอกเอ้ใครเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าไม่ห้ามปรามไม่ขัดคอปล่อยให้สิ่งชั่วร้ายเข้าปากเข้าคอลูกแม่นั้นปฏิบัติ ถ, ถูกไหม ชื่อว่าอนุเคราะห์บุตรไหมเดี๋ยวนี้เราไปอนุเคราะห์บุตรเรื่องอะไรกันซื้อหนุนซื้อนี่ให้ลูกตามใจจนลูกเสียผู้เสียลูกอยากเที่ยวเที่ยวลูกอยากในมอเตอร์ไซค์ลูกไปบิดแต่ก็ก็ยึดรถเด็กแว้นด็กกอยแล้วถ้าทําผิดหลายๆเที่ยวเขาลงโทษใครด้วยสมน้ําหน้าแม่ปัญญาอ่อนไม่รู้จักข้ามปาก ข้อต่อมาให้ถ่ายทอดความรู้ให้ลูกได้มีการศึกษาศิลปะวิทยาถ้าลูกเรามีเครดิตมีศิลปะวิทยามีวุฒิบัตรอะไรบ้างอย่าให้ลูกอ่อนด้อยขาดวุฒิบัตรขาดดีกรีด้านศิลปะวิทยาแต่ข้อนี้รู้สึกทำกันจังเตรียมฝากโรงเรียนอนุบาลตั้งลูกยังอยู่ในท้อง ไปจองโรงเรียนดังๆเสียสตางค์เท่าไรช่างมันข้อนี้รู้สึกจะบำรุงกันจังเดี๋ยวนี้แต่ข้อต้นกับข้อสองนี้อาจจะบกพร่องข้อสี่คือเมื่อเขาเติบโตเป็นหนุ่มสาวควรชี้แนะว่าหญิงอย่างไรชายอย่างไรควรจะมาเป็นแม่พันพ่อพันมาเป็นทองแผ่นเดียวกับตระกูลเรา แนะลูกให้ดูทว่ามีกมันแนะแปลกๆนะสมัยก่อนเนี่ยถ้ามาวัดวันพระเนี่ยพระบวชใหม่เนี่ยก็บอกให้ดูนะลูกนะเองเค่อยดูนะถ้าองค์ไหนปนมมืออะไเงี้ยนก็มันคงหยิบจอบหยิบเสียมไหวฟันดินเลี้ยงลูกครอบครัวรอดแต่ถ้ามือเขาตกอย่าจะมือคนเนี้ย อ, อย่านะพระองค์เนี่ยซึ่งออกมาอยาดชื่นชอบขอก็จะไปรับ เพาะจะไปหยิบจอบหยิบเสียมไหวะอะไรปั้นนมมือยังไม่หลอดด้วยบางองค์ก็คำ้คำค้ำคอเขาบอกวอมันยังไม่แข็งนี่ต้องใช้มือค้ำเนี่ก็ไม่หลอดเนี่ยเขาก็มีกันแนะสอในให้ลูกดูว่าจะมีคู่ครองต้องมีชายลักษณะใดหญิงลักษณะใดถึงจะควรเป็นคู่ครองแนะนํา เรื่องคู่ครองแต่เดี๋ยวนี้มอกไม่ต้องมายุกตัวเองเองก็ลาบากมันยุกมันเปลี่ยนอ่สุดท้ายเลยควรมอบทรัพย์ให้แก่ลูกในโอกาสที่เหมาะสมโอกาสมันควรเมื่อเขาแต่งงานแล้วเราก็เห็นว่าจะมอบไปเขาเป็นทุนเป็นหลอนเขาจะได้ตังเนื้อตั้งต้องมีถ้าแต่งงานเยอะก็มีอะไรนะฝันถุงใช่ไหม บางทีมีเตยกันไงฝ่ายเจ้าสาวพ่อก็ให้เท่าไหร่ฝ่ายเจ้าเบาก็บอกอยาให้น้อยนะเตยเขไปให้มันตั้งเนื้อตั้งตัวใครเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกออกเรือนไม่มีทุนให้ร้อนไม่มีเงินฝันถุงเลยพราะแม่กับพ่อก็ฟันค้างมาตลอดนัง่งนี่แย่ นั้นเป็นแม่ถามตัวเองว่าบกพร่องเรื่องนี้ไหมครบห้าอย่างนี้ไหมถ้าครบก็แสดงว่ายกมือไหว้ตัวเองได้ว่าฉันเป็นแม่ต้นแบบอด้อมไอดว่าเป็นตัวอย่างเป็นครอกกลัวลาเลิศแต่ถ้าห้าข้อไม่มีเลยเป็นแม่อะไรอ่ะแม่ผีหรือแม่พะมระ กินแล้วเมายาก็คอหนึ่งก็ห้ามลูกไม่ได้แหละตัวเองก็เสียซะแล้วเอาตอนี้ต่อไปฝ่ายลูกบ้างบุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดาดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างตรงไป็ดนึกสักข้อห่งอ แ, แม่ทำเนี่ยกระลาง้าอย่างเนี่ยเราอย่าทําอะไรกับแม่สักข้อหนึ่ง <c oughs> ได้ไหมลูกเออ ที่หลังเอากี้ไหมโยมเอาเป็นป้ายใหญ่ๆเป็นชาติไปแปะไว้ที่บ้านฉันเป็นฝ่ายแม่จะปฏิบัติต่อแกอย่างนี้พระพุทธเจ้าสั่งมานีแล้วเราก็บอกฉันเป็นลูกก็จะปฏิบัติต่อแม่อย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อเราจะได้เป็นครอบครัวล้าเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบ ถ้าไม่งั้นเราก็เป็นครอบครัวยอบเย็บไปไ ป, ไปไปไปไปไปไม่รอดอ้าวแม่ยมไม่มีใครตอบได้เลยอ่ะหมดอารมณ์เทศเลย <c oughs> ข้อที่หนึ่งควรธนุบำลุงเลี้ยงดูในเมื่อท่านก็เลี้ยงเรามาแล้วเมื่อท่านแก่เลี้ยงตัวไม่ไหวไม่ควรเอาไปไว้บ้านคนจะลา ใครคิดจะเอาแม่ไปไว้บ้านบางแคบ้างยกมือสาธุไอ้พวกนั้นมันคงไม่มาวัดเนี่ยนเนี่ยตอนนี้ช่วงเนี้มีคนแก่ถูกกระมาทั้งมาฝากบางทีต้องเดินทางมาเองมาถึงแล้วก็อะไรไม่มีที่ไปขออยู่ทั้งก็ไม่มีเราต้องจ่ายค่าแท็กซี่อีกสองร้อยไม่รู้พ่อใครแม่ใคร ชายแทงนที่ลูกมันเป็นอะไรมีเป็นถึงรองอธิบดีคนหนึ่งมาอยู่ที่เนี่ยลูกเป็นอะไรรู้ไหมเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจซีน้าคนมันทิ้งพ่อได้อ๋อแย่เนี่ยแหละจึงบอกว่าเราเนี่ยเกิดกันมาดูโลกใบนี้แล้วใครเลี้ยงเรามา ถ้าเลี้ยงดูท่านสักนิดมเป็นอะไรนักหนาทำามายังนึกเสียดายตอนนั้นถ้าแม่ไม่ตายนี่กะว่าจะามาไว้วัดวันไหนถ้าไปเทศไม่ได้ดูแลก็จะจ้างคนให้อาบน้ า, าให้หาเตือ้อผ้าให้กินอาหารอาหารยังไงการเทศสามพันให้แกสักห้าร้อให้แกสบายจริงๆนะถ้ามาถ้าอยู่นะนึกถึงพระรูปหนึ่งโยม ที่ได้รับเป็นพระยอดกะตัญญูแม่เป็นอามารรภูบาทท่านเดินจากวัดเนี่ยไปเอาของบิณฑบาตไปให้แม่สี่กิโลจังหวัดศรีสะเกตเน่ยตมาอย่างไปมาไปช่วยสร้างกุฏิเรียกว่าจะเอาแม่มาอยู่บังเอิญสร้างเสร็จแม่ตายพอดีท่านลาออกจากเจ้าอาวาสเลยนะเพราะว่าต้องไปดูแลแม่ไม่มีเวลาปฏิบัติเป็เจ้าอาวาส ท่านลาออกเลยเพื่อไปดูแลแม่เนี่ยนะอ้าวตอนนี้ข้อต่อมาช่วยทำกิจงานต่างๆให้ท่านเบาแรงเบากายอย่ายให้ยิ่งแก่ยิ่งหนักต้องทำแหมทุกอย่างทุกอย่างพอท่านอายุมากแล้วแมมก็ดีนะก็ดีพอใผลดีถึงวัดด้วยบางทีร้านของชาเนี่ยพ่อแม่ขายมานาน ทะเลาะกัลูกค้ามังทอนผิดทอนถูกลูกลูกเห็นก็บอกแม่อย่าขายเลยลกแม่ก็อดไม่ได้อยากทัมไอ้ลูกก็เลยพาแม่ไปไหนแล้วขนของหมดเลยเอามาให้วัดร้านของชำก็เยอะเป็นคนคนลดปิดอัพก็เลยมาเข้าร้านข้างหน้าวัด <c ười> <c ười> เขาไม่อยากให้แม่เขาเหนื่อย นอกจากช่วยทากิจแล้วถ้าให้ท่านหยุดได้ก็ควรให้หยุดอย่าให้ท่านโอห้หัวสุขหัวสุนเดินหัวเป็นอะไรตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอะไรพวกนี้ไม่ไหวแล้วเห็นว่าท่านควรหยุดได้ก็น่าจะให้ท่านได้พักบ้างเพราะเหนื่อยมาตลอดแล้วนะไม่ไหวอ่ะถ้าให้ปล่อยให้ทายันหูบางคน นักกว่านั้นก็แย่ไอ้แม่ต้องไปงมหอยงมปูไม่ไหวต้องไปทำบาปทำกรรมลิ้นตัวเลี้ยงครอบครัวควรให้ท่านได้ทำบุญสุนทอนฐานแทนทำงานบ้างท่านจะได้มีสเสบียง อ, อ, อีกข้อหนึ่งคืออะไรดีเราเกิดมานี่มีวงตระกูลไหมควรจะรักษาดำรงวงตระกูลของเราให้ อย่าให้เป็นตระกูล น, นี้มีนักโทษชายนักโทษหญิงอีลูกขี้คุกกี้ตลางอีลูกขี้เล้ากี้ยาควรสร้างชื่อเสียงเกลียดประวัติให้วงตระกูลลูกเขาตระกูล น, นั้นจบการศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกลูกตระกูล น, นั้นเขาตั้งเนื้อตั้งตัวไวตั้งแต่อายุอย่างน้อย ให้รู้ว่าตระกูล น, นี้มันเป็นตระกูลของความเข้มแข็งทุกด้านเป็นตระกูลที่มีฐานศักดิ์สิทธิ์แน่นฐานทรัพย์ฐานควารรมรู้ฐานคุณธรรมนี่ถ้าลูกคนไหนเป็นฐานศักดิ์สิทธิ์ให้กับวงตระกูลทรัพย์ไม่น้อยหน้าใครไม่ตกต่ำทางสังคมเขามีกินมีใช้มีนุ่ง ม, มีหม่มเราก็มีเท่าเขาสถานภาพทางสังคม ตระกูลเราต้องไม่ด้อยการศึกษาไม่ใช่จะปล่อยให้หูตาจมอยู่กับความโง่ไร้โอกาสเรียนรู้ศึกษาและยังไงยังไงก็ต้องซับมีความรู้มีก็ต้องควบคู่โดยคุณธรรมมีถ้าลูกตระกูลไหนแมมมันประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบนี่ก็มีรางวัลกันใช่ไหม พวกดาร า, าก็จะได้ลูกกตันยูอะไรกรตันยูตระกูลเราได้มั่งไหมเยอะไหนในที่มาเนี่ยตระกูลไหนได้ตําแหน่งลูกกรตันยูแห่งปีพศอเอท่าไหร่ยกมือดีโอ้ยชักอาพัฒตระกูล น, นี้อาพัฒทั้งหมดหมดแล้เออ ถ้าลูกตระกูล น, นี้เขาได้รับรางวัลลูกตะตันอยู่แห้งปีเนี่ยเขาจะจัดทุกปีใช่ไหมทุกปีไม่มีใครติดอันดับเลยเลยโย่ไ <c oughs> ม่ตระกูลหรออภพเอ อ, อยังไงนะชาตินี้ไม่ได้ขอชาติหน้าให้จะบำเพ็ญต่อไปนะปีนี้เชียวๆไปแหละกรรมการมันตัดสินไม่ถูก กรรมการเอ า, เอาละถึงรังไม่ได้ติดอันดับรางวัลแต่เราก็จะทำดีกับแม่ทุกวันเรากรรมการไม่เห็นเราเห็นนะเราทำแล้วอีกแอบทำกลางคืนนั้นปิดท้องลังพระ <c oughs> อ่ะเพราะนั้นต้องดำรงวงตระกูล ให้มีหน้ามีตามีชื่อมีียอย่าให้น้อยน้าต่ำเนื้อต่าใจอย่าให้สถานภาพทางสังคมเราตกต่ําทุกด้านคุณธรรมความรู้สถานะทางทรัพย์สินไม่มีกินมีใช้ตายไม่มีเงินซื้อลงใสไอ้แบบนี้มันแย่ไหมโย ม, มเกิดมายัางไงถ้าแม่รู้มันเป็นอย่างนี้นะ่าจะคีดเท่ายัดปากแล้วถึงกับตอนเกิด รอดมายังไงทำให้ตระกูลกุณเสียหายตายไม่มีเงินซื้อลรงใส่นี้แย่ yeah, เลยอ้าวต่อไปก็คือเราเป็นทายาทคนที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทที่จะได้สืบสารวงตระกูลทรัพย์สินมาอยู่ยงคงกรพันเข้มแข็งไม่ใช่เป็นทายาทที่ผานทรัพย์พ่อแม่เคยมีมรดกเยอะ มันผ่านเกลี้ยงเลยเนีย่ยตมายัางนึกถึงตอนที่บวชใหม่ๆเข้าไปในป่าช้าพิจาานาอสุภกรรมฐ า, านซากศพ ก, ก็ไปเจอศพหนึ่งลงผุลงผุมาแล้วเห็นหัวกะโหลกอะไรก็ไปดูดูก็สืบถามหลวงพ่อมีศพใครเนี่ยที่กะโห ล, ลกก็หรือลง ก, ก็ะปุกแลาาหละแต่กอศพเยว่เขาเป็นยังไงไม่เผาแล้วหลวงพ่อ ก็ลูกมันผ่านหมดวิลูกชายคนเดียวนะมีสวนมากกว่าเขาเพื่อนในคลองที่แต่มาอยู่เนี่ยมีเียกว่าถ้าตอนนี้มีทรัพย์อยู่นะไอ้ลูกคนเนี้ยมันจะต้องมีสมบัติขายที่ได้ร้อยล้านแพ็คกระโวยสวนรวยนาเยอะที่สุดในคลองนะแต่ลูกผ่านเกลี้ยงเลยแล้วก็พอแม่ตายก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะจัดงานใหญ่จะจัดงานใหญ่จจาหญวางแผนแต่ บ้าผู้หญิงเล่นการพ น, นันเที่ยวเงินหมดเลยไม่ได้เผาแม่ก็เลยเป็นผีไระญาติเลยไม่มีใครเผาก็มาไปดูเรื่อยเลยแล้วก็ปิดฝังใจมาเลยว่าแหมมันพลาดได้ยังไงอะ่ะรับมรดกของพ่อแม่มาแล้วมีคนเดียวลูกชายคนเดียวเยอะแยะสวนานาเนี่ย เผาแม่สักสามรอบยังไม่หมดเลยจัดงานเปผาครั้งหนึ่งเผาจริงเผาหล่ลอเผาอะไรกระดูกอะไรมาทําอีกก็ยังไม่หมดเพราะงอมรดกเยอะจริงๆแต่มันเป็นทายาทคนเดียวที่หลานหมดเลยจําชื่อได้ จ, ำำจาํานามสกุลได้แต่ไม่ยากบอกเดี๋ยวหลานเหลือจะขาดออกไปบินตะาบะาโดนกระสุนเอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะ พูดแก่นี้พ อ, อแตอนนี้ข้อสุดท้ายว่าไงแม่จะยมนึกไม่ได้จะข้อนี้เนี่ยยมพราบาลเคหัวแน่เลยตายไม่ยอมพยาบาลเขกข้อปฏิบัติแม่ๆลูกๆไม่ได้สักข้อหนึ่งแย่ว่าไงก็เห็นทำๆกันอยู่ลืมไปได้ถ้าท่านล่วงรับดับแล้วก็ต่อสิ เมื่อท่านล่วงลับดับแล้วก็หมดอารมณ์เทศก็ทำบุญทำกุศลอุทิศให้ไปถวายสังฆทานบางไปทำอะไรวันตายวันเกิดของแม่บางถึงวันท่านเกิดท่านตายท่านดับอะไรก็แล้วแต่เอาไปทำกิจกรรมกุศลอุทิศให้เมื่อท่านล่วงลับดับแล้วนะส่วนเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ก็ อันนท่านเจ็บท่านป่วยก็ดูแลรักษาบํะเพิญให้เหมาะสมเลยอย่าให้ท่านเจ็บปวดท่านนอนท่านทดใจบางคนคนแก่เนี่ยมีเพลงคนแก่อยู่เพลงนึงแต่มายังจำติดหูเลยร้องขําคกรวนเหมือนลูกหลานไม่มีแต่ฟังป่ะโอ้เจ้าเท่ารันทานต้องค้าทานคนเดียว ญาติพง์วงสาเขาก็ไม่มาแลเลียวนั่งง่อยอยู่คนเดียวง่อยเอ่ยงอยเอ่ยอ ย, อยังไงอย่าให้พ่อแม่ของเราไปร้องเลยมันเป็นการลูกทลยศทำให้น้ำใสไหลออกตาบาปไม่ดีตรงนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีข้อปฏิบัติแม่แม่ลูกๆกให้ถูกต้องตามคำสอนของ รสมาสัมบุตเจ้าในฐานะเราเป็นชาวพุทธต้องฝึกฝนฝึกฝนฝึกอัดประพฤติ ก, กระทาปฏิบัติให้พ่อแม่ได้ยิ้มนี่จริงนะถามจริงใครเคยมีรู้สึกมีความสุขไหมถ้าเราทำอะไรพ่อแม่ยิ้มยิ้มของคนอื่นก็แรงนะันแหยแต่ถ้าพ่อแม่ยิ้มเนี่ยรู้สึกลูกๆน่าจะมีความสุข ถ้าใครหาความสุขจากความยิ้มของพ่อแม่ได้แต่พยายามทาให้ท่านยิ้มได้หัวเราะได้มันยิ่งไปดูหนังดูละครฟังเพลงอีจริงไหมแต่งโมนไม่ต้องดูมันยิ้มมันยิ้มไม่ออกมาหัวใจไปฝากโตโน่แล้วมันก็ค่้าตัวตายมันมีความสุขกับคนอื่นเนี่ยสุขไม่กี่ลังสุขไม่เที่ยงแท้แต่ถ้าสุขเพราะแม่ยิ้มเพราะเราเป็นต้นเหตุทําให้แกยิ้มได้ ทุดยอดทุดยอดเลยนะยังไงโยใครแม่กระทั่งสุดท้ายเนี่ยเขาขอฝากข้อคิดไปนิดหนึ่งใครอย่าบอกพ่อแม่ฉันตายหมดแล้วฉันไม่เป็นห่วงอะไรแล้วพูดงี้ถูกไหมเพราะยีนเซลของแม่เนี่ยอยู่ในตัวเรานั่นเราก็ต้องคอยดูแลยีนเซลของแม่ในยอย่ากให้มันเลวมันชัว่ว อย่าให้มันมนพ่อแม่รู้แล้วผิดหวังอะ่ะมึงไม่น่าไปทํากับยินเซวกูอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยสาให้มาแล้วก็ทําทให้ถูกให้ดีเอาแค่เนี้ยนะโยมนะก็ขอขอวยพรให้ทุกท่านทุกคนมีข้อปฏิบัติระหว่างตนกับลูกระหว่างตนกับพ่อแม่ให้ได้เห็นบรรยากาศของบ้านเป็นบ้านตนแบบบ้านตัวอย่างบ้านเป็นวิมาน บ้านเป็นที่คนอื่นที่ยอมรับว่าบ้านเราดีกว่าเขาเพราะพ่อแม่ลูกอยู่กันดีอยู่กันถูกจึงทำให้เกิดสุขกันทั้งบ้านก็ขอให้บ้านเป็นวิมานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน